ตอนจงอยู่ท่ามกลางความเย่อเยอ้ยเราเห็นแล้วเราจะมาพูดเพียงสองสามประโยคเท่านั้นจงอยู่ท่ามกลางความยอะเยะ้ยถากถางจงอยู่ท่ามกลางความผิดหวัง จิตใจที่สงบเยือกเย็นท่ามกลางสิ่งยั่วยั้วนั่นคือแผ่นดินของพระเจ้าศา ส, สนิกที่จะเข้าสู่ดินแดนพุทธภูมิได้หรือแผ่นดินสวรรค์ได้ต้องอยู่ท่ามกลางความย่ะเยะ้ยถากถางความผิดหวังแต่ไม่หมดกำลังใจคนที่ประสบแต่ผลสําเร็จอันเป็นสิ่งยั่วย้นั่นคือดอกไม้แห่งความชั่วของพญามารเมื่อเราสงบเยือกเย็นยังไม่พอ การที่ได้ทำอะไรสมความปรารถนานั้นนั่นคืออาสนะของพยามาลเราจะห่างไกลแผ่นดินของพระเจ้าออกไปทุกทีจงสงบและเยือกเย็นเถิดจงสงบและเยือกเย็นเถิดจงสงบและเยือกเย็นเถิดข้อความที่อ่านให้ฟังนี้ เป็นคำพูดของเทพเจ้าองค์หนึ่งซึ่งข้าพเจ้าไม่อาจจะบอกชื่อของท่านได้เพราะถ้าบอกไปคนทั้งหลายอาจจะไม่เชื่อหรือเชื่อก็อาจจะเข้าใจผิดและอีกประการหนึ่งท่านยังไม่ประสงค์ที่จะให้เปิดเผยชื่อของท่านให้คนทั้งหลายรู้จักจนกว่าผลงานการค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องโอปปาติกะจากสำนักแห่งนี้จะได้รับความเชื่อถือจากคนชั้นปัญญาชนทั่วไป การเปิดเผยจึงจะไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ผู้ที่ทราบแต่จะก่อให้เกิดประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่มนุษยชาติทั่วไปเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขอสงวนชื่อของท่านไว้ก่อนสำหรับในขณะนี้ยังไม่ต้องสนใจว่าผู้ที่พูดเป็นใครขอให้สนใจกับข้อความที่ท่านกล่าวก็พอแล้วเพราะถึงอย่างไรสำหรับผู้มีปัญญาก็คงจะไม่มีใครเถียงหรือคัดค้านได้ว่า คำพูดเพียง ส, สั้นๆไม่กี่ประโยคนั้นได้ช่วยส่งเสริมให้กำลังใจอย่างมากแก่ผู้ที่ประสบแต่ความผิดหวังท่านมาในจังหวะที่ข้าพเจ้ากำลังจะหมดกำลังใจและหมดความล้มเหลวหลายตอนหลายเรื่องที่คิดว่าควรจะเป็นผลสําเร็จแต่แล้วก็ล้มเหลวไม่ได้ผลดังที่ต้องการอันที่จริงคำพูดประโยคนี้ท่านตั้งใจมาปลอบและให้กาลังใจแก่ข้าพเจ้าโดยเฉพาะ และก็ได้ผลคือข้าพเจ้ากลับมีกำลังใจที่จะต่อสู้กับความล้มเหลวต่อไปอีกเพราะมองเห็นแสงสว่างที่ฉายให้เห็นถึงความจริงของชีวิตคือความสำเร็จอันยิ่งใหญ่อันจะเกิดขึ้นเพราะความผิดหวังนั่นเองคําพูดประโยคนี้ข้าพเจ้าได้มาโดยวิธีการเข้าทรงกล่าวคือ เมื่อวันที่30มิถุนายน2515เวลา7นาฬกานาทีในขณะที่ข้าพเจ้าอยู่ในห้องฝึกสมาธิและกำลังสนทนาอยู่กับคุณสีเพนถึงเรื่องการงานและเรื่องอุปสรรคต่างๆของงานทำให้รู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้แทบจะหมดกำลังใจแต่แล้วในขณะนั้นเองคุณสีเพนก็บอกว่ามีใครไม่ทราบมาเรียกให้เข้าไปคุณสีเพนจึงได้เข้าสมาธิไปดู แต่ยังไม่ทันจะรู้ว่าเป็นใครก็ปรากฏว่าท่านเข้าส่งและได้พูดถ้อยคำเหล่านี้ออกมาข้าพเจ้าเห็นว่าข้อความที่ท่านกล่าวนี้แม้จะมุ่งหมายถึงข้าพเจ้าโดยตรงแต่ก็รู้สึกว่าควรจะได้นำออกเผยแพร่เพราะว่าคนทั้งหลายที่ตกอยู่ในฐานะที่ประสบแต่ความผิดหวังบ่อยๆนั้นมีมากเมื่อได้ทราบถึงเรื่องนี้ก็อาจจะมีกำลังใจดีขึ้น ก่อนอื่นข้าพเจ้าขอเล่าโดยสังเขตถึงความผิดหวังในระยะนี้ให้ท่านผู้อ่านได้ทราบเสียก่อนว่ามีอะไรบ้างประการแรกก็คือการพิสูจน์เรื่องโอปปาติกะโดยวิธีการเข้าทรงและติดต่อทางสมาธิซึ่งได้ทำต่อหน้าคนที่เชิญให้มาชมประมาณ50คนได้ทำมาแล้วสามครั้งครั้งแรกคิดว่าการพิสูจน์นี้ คงจะมีผลทำให้คนทั้งหลายเกิดความเชื่อถือในเรื่องนี้อย่างแพร่หลายโดยเฉพาะอย่างน้อยก็ในกลุ่มของผู้ที่ได้มีโอกาสมาเข้าชมเพราะข้าพเจ้าแน่ใจว่าทุกคนที่ได้เห็นข้อเท็จจริงที่ข่าวสะอาดที่แสดงว่าได้มีโอปปาติกะมาเข้าทรงจริงและถ้อยคำที่พูดออกมาจากคนทรงก็คือถ้อยคำของโอปปปาติกะผู้ที่มาเข้าทรงนั้นจริง ซึ่งผู้ที่มาเข้าทรงก็มีหลวงพ่อสมเด็จพระพุท ธ, ธาจารย์โตท่านมหาตามะคารท์ทีท่านเอ็ดวินและราชการที่หเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ข้าพเจ้าได้ถ่ายทอดลงในหนังสือวิญญาณหมดแล้วผู้ที่อ่านหนังสือวิญญาณมาตั้งแต่ต้นปีก็จะทราบเรื่องราวเหล่านี้ได้ดีแต่จากการพิสูจน์ทั้งสามครั้งที่ผ่านมาปรากฏว่า ไม่ได้ก่อให้เกิดความสนใจแก่คนทั้งหลายเท่าที่ควรเพราะจะแสดงหรือไม่แสดงก็มีผลเท่ากันกล่าวคือผู้ที่เคยเชื่ออยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรสำหรับเขาส่วนผู้ที่ไม่เชื่อหรือเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างทั้งที่ได้มาเห็นเขาก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทั้งนี้ก็เนื่องมาจากเหตุที่สาคัญอยู่อย่างหนึ่งคือ การติดต่อทางวิญญาณที่จะทำให้คนทั้งหลายเกิดความเชื่อถือได้อย่างมากนั้นจะต้องมีการแสดงปาฏิหาริย์อย่างใดอย่างหนึ่งให้คนทั้งหลายเห็นประจักษ์ด้วยตาของเขาและมีหลักฐานเชื่อได้แน่นอนว่าเป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องหลอกหรือแม้เช่นนั้นก็ต้องมีการสนองความต้องการของคนทั้งหลายได้เช่นจะต้องมีการรักษาโรคแจกพยันตะกรุดหรือเครื่องรางอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือแม้เช่นนั้นก็ต้องสามารถพยากรณ์เหตุการณ์ต่างๆได้อย่างแม่นยำเป็นที่อัศจรรย์ถ้าหากไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้วก็เป็นการยากมากที่จะเรียกร้องความสนใจจากคนทั้งหลายเพราะผู้ที่ไปยังสำนักเข้าทรงต่างๆนั้นโดยทั่วไปแล้วเขาหวังว่าวิญญาณที่มาเข้าทรงจะสามารถช่วยแก้ปัญหาจิปาถะต่างๆให้แก่เขาได้ แต่เรื่องราวทั้งหมดดังที่กล่าวมานี้ที่สำนักของข้าพเจ้าไม่ทำเพราะที่นี้มุ่งสอนแต่เรื่องธรรมะให้คนเข้าใจเป็นส่วนใหญ่และที่ต้องการเอาเรื่องปาฏิหาริย์และเครื่องรางของขลังและอะไรอื่นๆ อ, อ, อีกออกไปก็เพราะต้องการให้คนทั้งหลายเชื่อว่าโอปปปาติกามีจริงโดยอาศัยข้อเท็จจริงที่ปราศจากข้อสงสัยใดๆและเป็นไปตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆ เพราะข้าพเจ้ารู้ดีว่าถ้าหากทำให้คนทั้งหลายยอมรับในเรื่องนี้กันได้อย่างกว้างขวางแล้วคนทั้งหลายก็แน่ใจว่าวิญญาณเป็นผู้สร้างชีวิตความแน่ใจในเรื่องนี้คือจุดที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้คนเราสามารถช่วยตัวเองได้อย่างดีและทำให้คนทั้งหลายมีศีลธรรมเกิดจากตัวเองความมุ่งหมายของข้าพเจ้าเป็นเช่นนี้ เพราะฉะนั้นจึงได้พยายามที่จะหาทางพิสูจน์เรื่องนี้ออกมาให้ขาวสะอาดแต่ผลที่ได้รับกลับตรงกันข้ามทาั้งๆที่ข้าพเจ้าแน่ใจว่าข้าพเจ้าได้พิสูจน์เรื่องนี้ออกมาอย่างดีแล้วแต่คนทั้งหลายก็ยังไม่สนใจอยู่นั่นเองเพราะมันไม่ตรงกับความประสงค์ของคนส่วนใหญ่และที่สำคัญที่สุดก็คือคนทั้งหลายเชื่อว่า ถ้าโอปปปาติกะมีจริงก็ต้องสามารถแสดงปาฏิหาริย์ได้และจะต้องมีความสามารถอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งหารู้ไม่ว่าความสามารถของโอปปปาติกะทั้งหลายก็อยู่ในขอบเขตที่จำกัดไม่ใช่ว่าจะเก่งไปทุกอย่าง ขอให้ท่านฟังคำพูดในตอนต้นอีกครั้งหนึ่งถ้าหากท่านเชื่อสนิทว่าไม่ใช่คำพูดของคนทรงพูดออกมาเองและไม่ใช่คำพูดที่ข้าพเจ้าเขียนขึ้นเองแต่เป็นคำพูดของโอปปปาติกะที่มาเข้าทรงพูดออกมาจริงๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะรู้สึกว่าถ้อยคำข้างต้นนั้นเป็นข้อพิสูจน์ที่ขาวสะอาดแล้วและมีเหตุผลเพียงพอแล้วที่แสดงให้เห็นว่า ทุกคนที่ตายไปแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่สติปัญญานิสัยใจคอก็ยังอยู่ในรูปเดิมและเป็นข้อพิสูจน์ยืนยันถึงพุทธภาสิตที่ว่าคนเราเมื่อตายไปแล้วก็จะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้ทั้งหมดจะเหลืออยู่ก็แต่เพียงความดีความชั่วเท่านั้นที่ติดตัวไปเพราะความดีความชั่วก็คือสังขารในเบญจขันเป็นเจตสิก ค, คือเป็นคุณสมบัติของวิญญาณ เพราะฉะนั้นจึงไม่สูญเมื่อเข้าใจเช่นนี้แนละ้วก็จะทำให้เข้าใจอีกว่าทำไมคนเราจึงเกิดมามีนิสัยสันดานไม่เหมือนกันมีโชคชะตาวาสนาไม่เหมือนกันซึ่งผู้ที่เข้าใจเรื่องนี้จำแจ้งก็จะมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าความดีความชั่วคือรากฐานอันสำคัญยิ่งของชีวิต เพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาต่างๆถ้าหากมุ่งมาแก้ที่นิสัยสันดานของตนเป็นจุดใหญ่คนทั้งหลายก็จะไม่มีความยุ่งยากเหมือนอย่างที่เป็นกันอยู่ทุกวันนี้เพราะคนที่คิดจะแก้นิสัยสันดานของตนนั้นจะสามารถแก้ปัญหาของตัวเองได้เสมอถ้ามัวคิดแต่จะแก้ไขสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งภายนอกโดยไม่คิดแก้ไขจิตใจของตนย่อมไม่มีทางที่จะบรรลุถึงความสาเร็จได้ ขอให้พิจารณาดูคำพูดประโยคตอนท้ายที่ท่านกล่าวว่าเมื่อเราสงบเยือกเย็นยังไม่พอการที่ได้ทำอะไรสมความปรารถนานั้นนั่นก็คืออาศนะของพยามารเราจะห่างไกลแผ่นดินของพระเจ้าออกไปทุกทีท่านมองเห็นหรือไม่ว่าสำหรับผู้ที่ยอมรับความจริงข้อนี้แล้ว ย่อมจะอดทนได้เสมอต่อความผิดหวังความเยาะเยะ้ยถากถางความทุกข์ยากลำบากต่างๆเพราะความทุกข์เหล่านี้คือบทฝึกหัดถ้าหากเรายังเอาชนะไม่ได้คือทำใจให้สบายไม่ได้ในท่ามกลางของความทุกข์ก็แปลว่าเรายังอยู่ในที่นั่งของพยามาลเมื่อยังอยู่ในที่นั่งของพยามาลไม่ว่าเราจะดิ้นรนสักเพียงไรเราก็ไม่พ้นไปจากอานาจของพยามาล นั่นก็คือเราจะพ้นทุกข์ไม่ได้เลยไม่ว่าเราจะมีเงินมีอำนาจหรือมีความสมบูรณ์ในเรื่องวัตถุสักเพียงไรก็ช่วยไม่ได้ พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญเรื่องอนุสาสนีปาฏิหารยิ่งกว่าปาฏิหารอย่างอื่นแล้วท่านจงพิจารณาดูถ้อยคำที่เทพเจ้าได้กล่าวไว้นั้นว่าเป็นปาฏิหารหรือไม่สำหรับข้าพเจ้ารู้สึกว่าเป็นปาฏิหารเพราะถ้อยคำที่ท่านกล่าวนั้นนอกจากจะมีความหมายลึกซึ้งนักปราชญ์ทั้งหลายตำหนิไม่ได้ว่าเป็นคำพูดที่ไม่จริงหรือตาหนิไม่ได้ว่าเป็นคาพูดที่แสดงถึงความงง ง, งาย ยังสามารถทำให้ความท้อแท้เบื่อหน่ายหายไปเกือบใจะในทันทีที่ได้ฟังคำพูดของท่านเรื่องนี้พิสูจน์ได้ว่าเป็นปาฏิหาริย์จริงๆและที่สำคัญยิ่งก็คือถ้าท่านรู้ว่าบุคคลที่กล่าวคำพูดประโยคนี้เป็นใครท่านก็ยิ่งจะอัศจรรย์มากขึ้นและจะยอมรับได้ทันทีว่าผู้ที่ตายไปก็ยังมีชีวิตอยู่อย่างแน่นอนและเป็นชีวิตที่ยั่งยืน มีความสุขมากในเมื่อทำความดีเอาไว้มากขอให้ท่านผู้อ่านลองมาเปรียบเทียบกันดูกับปาฏิหาริย์อย่างอื่นสมมุติว่าท่านช่วยรักษาโรคให้หายได้ช่วยบอกเรื่องราวต่างๆที่เราต้องการทราบได้อย่างถูกต้องและแม่นยำหรือช่วยบรรดาให้สิ่งที่เราต้องการสําทธิ์ผลขึ้นมาได้หรือทำสิ่งที่แปลกมหัศจรรย์ ซึ่งโดยธรรมดาไม่สามารถจะเป็นไปได้แต่ท่านก็ทำได้เช่นสามารถเรียกพระมาจากในอากาศได้หรือบันดาลให้พระเครื่องรางตกลงมาต่อหน้าคนมากๆได้โดยที่พิสูจน์แล้วว่าไม่มีใครโยนมานอกจากท่านจะเรียกมาเท่านั้นสมมุติว่าทาได้อย่างนี้ประโยชน์ที่เกิดคนทั้งหลายอาจเห็นว่ายิ่งใหญ่มากแต่ถ้าคิดดูให้ลึกซึ้งแล้ว มันเป็นผลชั่วคราวเท่านั้นและจะต้องพึ่งท่านอยู่ตลอดเวลาช่วยตัวเองไม่ได้คนที่แสดงปาฏิหาริได้แต่ไม่รู้แจ้งอริยสัจกับคนที่รู้แจ้งอริยสัจแต่แสดงปาฏิหาริไม่ได้คนไหนจะเป็นคนที่มหัจจานกว่าคนส่วนมากจะถือเอาทางฝ่ายคนที่แสดงปาฏิหาริได้ แต่ผู้รู้ทั้งหลายเขาจะถือว่าคนที่รู้แจ้งอริยสัจเป็นคนที่อัศจรรย์ยิ่งกว่าเพราะการรู้แจ้งอริยสัจเป็นสิ่งที่ยากมากน้อยคนที่จะทาได้และคนที่รู้แจ้งอริยสัจเท่านั้นจึงจะสามารถพ้นทุกข์ได้จริงๆและอีกประการหนึ่งคนที่รู้แจ้งอริยสัจ ซึ่งโดยธรรมดาย่อมเป็นคนที่มีจิตใจบริสุทธิ์สะอาดนั้นเมื่อจะต้องการแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อย่างใดอย่างหนึ่งก็สามารถที่จะทำได้เสมอและทำได้ทุกครั้งตามความต้องการไม่มีเสื่อมเพราะเป็นขั้นโลกุตระข้อนี้ฉันใดถ้อยคำที่ท่านกล่าวดังที่ได้แสดงไว้ในตอนต้นนั้นถ้าหากผู้ใดเข้าถึงคำพูดเหล่านี้ก็จะสามารถช่วยตัวเองได้ตลอดการไม่มีเสื่อม และทำให้แน่ใจว่าเป็นคำพูดของโอปปปาติกะจริงๆเพราะฉะนั้นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่คนทั้งหลายโดยวิธีนี้จึงดีกว่าการแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ใดๆ